ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุญยนสัมปันโนเสนอตอนที่21สดท่านพ่อหลีมานมัส ก, การหลวงปู่มัน่นลาหลวงปู่มั่นออกทุดงและระตายไปอุบัตในพมโลก หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้ให้โอวาต ธ, ธรรมเอาไว้ว่าให้พากันจำนะศาสนาของเรานี่หาที่ตำหนิไม่ได้แล้วถ้าหากท่านเป็นธรรมดาเหมือนเราเราท่านท่านเป็นสิ่งที่จะเปิดให้เห็นได้นะคือท่านจะจับแขนเราตีพวัวนี่เห็นไหมนรกเห็นไหมนี่ถ้าเป็นจริงท่านชี้บอกได้นะท่านจะจับเรามาตีพวัวลืมตาบ้างสิเห็นไหมนี่นรก มีมาจีกับจีกันแล้วตาไม่มีหรือถึงกระโดดไปตกนรกลืมตาบ้างสิเห็นไหมนรกนี่ถ้าเห็นแล้วจะไม่ตกจะไม่ด้านไปตกนรกแล้วใครเมื่อลืมตาเห็นจริงๆแล้วจะกล้าไปตกนรกจใจเป็นทุกข์ไม่เหมือนอะไรเป็นทุกข์จใจเป็นทุกข์หนี้ทุกข์มากกระเทือนหมดทั้งร่างกระเทือนไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกันมากน้อยกระเทือนไปหมดเลยจึงพากันเอาธรรมะ เข้าไประงับดับใจไม่มีดวงวิญญาณใดได้อยู่เป็นอิสระมีแต่ดวงที่หมุนอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีบุญกุศลก็ยังดีและผู้ที่มีอุปนิสัยวาสนาก็รอเวลาจะผ่านผ่านไปได้ถึงเกิดก็ตามก็เกิดสูงขึ้นไปยนวัฏ ต, ตะคือการวนเวียนการเวียนว่ายตายเกิดนี้เข้ามาเข้ามาก็เพราะอำนาจแห่งบุญ หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เล่าถึงท่านพ่อลีธรรมธโรในคราวที่ท่านพอ่อลีมานมัส ก, การหลวงปู่มั่นเอาไว้ว่าในระหว่างที่พ่อแม่ครูจานมั่นท่านพักอยู่ที่วัดหนองผือจังหวัดสกลนครมีลูกศิษย์รุ่นเก่าๆมาคารวะท่านเสมอท่านพอ่อลีก็เป็นศิษย์รุ่นใหญ่ของท่านผู้หนึ่งมาตั้งแต่เริ่มแรกโน้นทั้งพ่อแม่ครูจานมั่นและท่านพ่อลีเองก็เคยไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ เท่าที่ได้สังเกตในเวลาที่ท่านพ่อลีไปกราบนมิธีการพ่อแม่ครูจานมั่นที่วัดป่าบ้านหน้องผือนั้นรู้สึกว่าท่านแสดงอากัปกิริยาเต็มไปด้วยความเมตตาอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดคราวที่ท่านพ่อลีมากราบเยี่ยมท่านท่านเป็นผู้สั่งเราเองว่าให้ไปจัดให้ป่าลึกๆนอกบริเวณรูวัดให้ท่านพ่อลีได้พักสบายสบายเพราะสงัดดีกว่าที่อื่นๆหลังจากนั้นพ่อแม่ครูจานมั่น ท่านยังตามไปดูสถานที่พักนั้นอีกด้วยนี่ก็เป็นเหตุให้ประทับใจไม่ลืมและการให้โอว่าสั่งสอนสองสมคืนที่ท่านพอดีพักอยู่นั้นรู้สึกว่าประทับใจอย่างมากมายทีเดียวเพราะท่านพอดีเป็นสิทธิที่ท่านพระจานทร์มั่นเมตตาไว้วางใจมากนานๆท่านจะได้มากราบนมัสการพ่อแม่ครูจานทร์มั่นครั้งหนึ่งและได้สนทนาทำกันท่านจึงได้สนทนากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เต็มอัดเต็มทำทุกท่านทุกตอนซึ่งยากที่จะหาฟังได้ในเวลาอื่นๆเราเองได้พบท่านพอลีครั้งแรกมาจนกระทั่งบัดนี้ท่านพอลีถ้ามีนิสัยเด็ดเดียวอาถรรพ์ชันชัยมากในการประพฤติปฏิบัติเพราะท่านผู้ดีหายากพระที่ดีหายากศา ส, สดา ค, คือพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นผู้ที่หายากตั้งกลับกับกันกันก็ไม่ได้ปรากฏใหญ่โลกแม้พระองค์เดียว ท่านผู้สิ้นกิเลส ท, ที่เรียกว่าสังขังสรนังคัจฉานี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝากเป็นฝากตายของชาวพุทธหรือเหล่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่หายากเพราะไม่มีในที่ทั่วไปเหมือนสิ่งทั้งหลายหลวงปู่ล่าเชียมะเปโตวัดภูเจ้าก่อจังหวัดมุกดาหาร ได้เล่าถึงประวัติของหลวงตามหาบัวยาณสมปนโนเอาไว้ว่าพอตกถึงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2489พระอาจารย์มหาบัวก็ดำรีจะออกวิเวกโครงการขององค์ท่านจะไม่ไปไกลเพราะจะได้ฟังข่าวสุขทุกข์ของหลวงปู่ใหญ่ทุกประการจะได้เป็นผู้กลับเข้าออกอยู่เสมอไม่ไปแบบแตเตลิดเปิดเปิงและหวังจะได้ธรรมะพิเศษมาศึกษากลาบเรียนเพิ่มเติม เพราะอายุพรรษาก็มากเข้าสิห้าพรรษาแล้วและก็อาไล่หลวงปู่เหลงผู้อยู่เบื้องหลังจะปฏิบัติในสำนักบกพร่องทําให้หลวงปู่มั่นไม่สะดวกธรรมะทุกๆ ก, กรณีแต่ลงท้ายก็เลยตกลงใจไปฝ่ายข้าพเจ้าคือหลวงปู่ล่าก็นึกอยากจะไปกับองค์ท่านหลวงตาด้วยองค์หลวงปู่มั่นก็รู้จักอยู่แล้วและหลวงปู่มั่นได้เทศอยู่บ่อยๆว่าใครออกวิเวกปีนี้กลับมา เมื่อถูกถามไม่ได้ความในด้านภาวนาจะไม่ให้อยู่จําพรรษาด้วยต่อไปในอนาคตถ้าไปบีเวกจริงถามก็ต้องได้ความแท้ไม่น้อยก็ต้องมากแต่ไปวิ่งวุ่นเสียเป็นส่วนมากเพราะไปเที่ยวเล่นตามสัมนักต่างๆการไปบีเวกในสมัยนั้นไปในดงในป่าในโคกในดอนในภูเขาได้ทั้งนั้นเพราะไม่มีสิ่งที่สงสัยกันในบ้านเมืองขอแต่กล้าหาญไม่กลัวเสียสัตว์ป่า น, นานาชนิดเท่านั้นการไปองค์เดียว เป็นชั้นที่หนึ่งไปสององค์เป็นชั้นที่สองไปสามองค์เป็นชั้นที่สามไปมากกว่านั้นอยู่วัดดีกว่าเพราะถือกันว่าวุ่นวายไม่สะดวกได้มีปัญหาถามเข้ามาว่าพระอาจารย์มหาบัวนั้นหลวงปู่มั่นก็เกรงว่าจะไปเที่ยวเล่นดอกหรือจึงป่ารบอย่างนั้นก็ขอแจ่ว่าป่ารบเพื่อพวกอื่นบุคคลอื่นต่างหากเพราะปีนั้นหยอกวิเ ว, ว ก, กันหลายพวกอยู่ พรานล่วงเวลามาอีกสองถึงสามวันท่านอาจารย์มหาบัวขึ้นไปนกราบเรียนหลวงปู่มั่นว่ากล้าวนึกจะไปเที่ยววิเวกจะเป็นประการใดและการงานที่จะใช้กล้าวพาหมูทํานั้นยังมีอะไรอยู่บ้างหนอกล้าวจะพาหมูทาเสร็จแล้วจึงจะไปถ้ามีงานจำเป็นอยู่กล้าวจะรออยู่ก่อนแลวงปูมั่นท่านตอบว่ายีประการเราก็สาเร็จแล้วปืนเราก็บริบู์แล้ว แต่การบูรณะกุติซ่อมแซมหลังคาและเอาฟืนถึงเดือนกุมภาพันธ์จึงจะพากันจัดทำรรวาระนี้จะไปก็ไปได้พระอาจารย์มหาบัวกราบเรียนท่านว่าถ้าไปจะไปวันไหนและทิศทางใดจึงจะวิเวกพอควรหลวงปู่มั่นท่านตอบว่าถ้าสะดวกใจตนจะไปวันไหนก็ได้ไปทางทิศตะวันออกก็มีที่วิเวกดีพอควรอยู่นะแล้วพระอาจารย์มหาบัว ก็กราบรากับกุติของตนแต่ไม่ถึงวันจะไปเป็นเพียงไปกราบศึกษาให้หลวงปู่มีสิทธิ์ถึงวันจะไปจริงท่านจึงจะไปกราบลาใหม่พระพเจ้าหลวงปู่ล่าได้สมเนียรเส ม, มอว่าลูกศิษย์ที่มีครูไปลาอาจารย์เพื่อเที่ยวสแสวงหาวิเวกเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นเชิงปรึกษาให้เกียรติอาจารย์ให้ความเป็นใหญ่ไว้เส ม, มอด้วยความเคารพไม่ตัดสินเอาแต่ตัวตามอัตโนมัติ เป็นเยื่ออย่างอันดีของฝ่ายปฏิบัติไม่ข้าไม่เกินไม่อวดดีอะไรอาจารย์ก็นักปราดลูกศิษย์ก็บัณฑิตสมัยปัจจุบันนี้หาได้ยากแท้ๆหนอเพราะโดยมากลูกศิษย์ตกลงเอาเองหมดแล้วเป็นเพียงมาลาไปเฉยๆบางรายกรุญให้อาจารย์อย่างไม่อายเวลาไปไม่มาลาซ้ำอีกกลายเป็นปฏิบัติแบบเปรตแบบผีไปอีกนึกๆแล้วก็น่าสังเวชมาก หลวงปู่มั่นมรณกรรมไป30สกว่าปีท่านั้นฝ่าย ป, ปฏิบัติทุกวันนี้ห่างไกลกันขนาดไหนหนอไม่ต้องกล่าวไปใหญ่ในครั้งพุทธกาลเพียงเท่านี้ก็ห่างไกลกันขนาดนี้แต่ทำวินัยนั้นอันเก่าอยู่ผู้ปฏิบัติเดินล่างต่างหากแต่ก็เป็นเรื่องอจินไตยถ้าพิจารณาไปก็ฟุ้งร้างกล่าวไว้พอได้เทียบเขียงบ้าง ลุงตามหาบัวยาสัมปันนงเล่าชีวประวัติของท่านในขณะที่จำภาษาอยู่กับท่านพระจารย์มั่นต่อไปอีกว่าในระยะที่พ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านพักอยู่วัดน้องผือในปีพุทธศักราช2498มีพระตายในวัดสององค์ตายบ้านานาในหนึนง่ององค์องค์แรกอายุราวกลางคนท่านองค์นี้ชื่อว่าพระจารย์เนียมบวชเพื่อปฏิบัติโดยเฉพาะ แต่ปฏิบัติอยู่กับท่านแบบเข้าๆออกๆออเรื่อยมาตั้งแต่สมัยท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่และติดตามท่านจากเชียงใหม่มาอุดอรสกลแล้วก็มามรณาภาพที่วัดน้องผือในแรงเจ็ดค่ำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2489ทางด้านกิตตพรมนาของท่านอาจารย์เนียมนี้ดีมากทางสมาธิส่วนทางด้านปัญญากาลังเร่งรัดโดยมีท่านพระอาจารย์มัน่น เป็นผู้คอยให้ในยะโดยเสมอมาท่านอาจารย์องค์นี้ท่านมีนิสัยเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวมากเทเก้าเก่งและจับใจไพเราะมากทั้งที่ไม่ได้หนังสือสัตวตัวเทศมีปฏิพานไหวพริบปัญญาฉลาดสามารถยกข้อเปรียบเทียบมาสาธกให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่ายแต่น่าเสียดายที่ท่านป่วยเป็นวันโรคระสอบกระแะมานานท่านถึงการมรณะที่วัดนองผือ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 ขณะท่านองค์นั้นจะสิ้นลมเพราะแม่ครูจานมั่นและพระสมฆ์ซึ่งกําลังจะออกวิทยาบทได้พากันแวะเข้าไปปลงธรรมสังเวช ท, ที่กําลังแสดงอยู่อย่างเต็มตาพอท่านสิ้นลมแล้วชั่วขณะหนึ่งซึ่งเป็นขณะที่พ่อแม่ครูจานมั่นกําลังยือนรำพึงอยู่อย่างสงบท่านได้พูดออกมาด้วยท่าทางเคร่งขรึมว่าไม่น่าวิตกกับเธอหรอกเธอได้ขึ้นไปอุบัติที่อาพัสราพรมโลกชั้นหก เป็นที่เรียบร้อยแล้วต็นนับว่าหมดปัญหาไปสำหรับท่านในครั้งนี้แต่น่าเสียดายอยู่หน่อยหนึ่งถ้าท่านมีชีวิตเร่งยืดเวลาเร่งวิปัสสนาให้มากยิ่งกว่านี้บ้างก็มีหวังได้ขึ้นพรมโลกชั้นห้าชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วเตลเอถึงที่สุดเลยไม่ต้องกลับมาวกเวียนในวัตตวนนี้อีกที่เป็นปัญหาอยู่มากเวลานี้ก็คือพวกเราไม่ทราบว่าใครจะเตรียมไปชั้นไหนกันแน่บ้าง จะไปชั้นเดรชานเปรตผีนรกอเวจีหรือชั้นมนุษย์เทวดาเทวิดาอินพรหมหรือนิพพานชั้นใดกันแน่ฉะนั้นเพื่อความแน่ใจจงดูเข็มทิศคือใจของตนของตนให้ดีว่าเบนหน้าไปทางใดมากเป็นทางดีหรือชั่วควรพิจารณาด้วยดีแต่บัดนี้ตายแล้วไม่มีทางแก้ไขได้อีกใครๆก็ทราบบนทั่วโลกว่าความตายคือแดนสุดวิสัย ทำอะไรต่อไปอีกไม่ได้แล้วดังนี้